ท่านสาธุชนและท่านผู้ฟังผู้สนใจในธรรมทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะส่สันติก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งในวันเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ซึ่งวันนี้อาตมาภาพจะได้นําธรรมะบา ร, รยายัของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยัมังคโลจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังซึ่งหลวงพ่อท่านได้ แสดงธรรมะเรื่องนี้ให้แก่พ่อนาคที่มาเข้ามาบันประชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่จะเข้ามาถึงนี้สาธุชนทั้งหลายบางท่านที่จะเตรียมตัวบรรประชาอุปสมบทในช่วงพรรษาปีนี้ จะได้น้อมนําหลักธรรมที่หลวงพ่อท่านได้อธิบายไว้ว่าการที่เข้ามาบรรประชาอุปสมบทนั้นมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งตามคำที่ขอบวชต่อพระอุปชาว่าสัพพทุกขะนิสระณะนิพพานะสัจจิกรณัตถายะความหมายก็คือเข้ามาบวชเพื่อกระทาซึ่งพระนิพพานให้แจ้ง เพื่อกระทาที่สิ้นสุดแห่งทุกทั้งปวงจึงขอเชิญท่านสาธุชนมาตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาที่หลวงพ่อท่านได้เทศสอนนาคโดยพร้อมเพรียงกันณบัดนี้นำผ้ากาสายะยอมปาดตัดเย็บถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตมาขอบันประชาคือมาขอบวชเป็นสามเณรและ สองรูปก็จะขออุปสมบทบวชเป็นพระภิกษุต่อไปในพระพุทธศาสนาโดยได้มาปฏิยานตนโดยการเปล่งวาจาว่าสัพพะทุกขนิสระณะว่าวัตถุประสงค์ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานี้เพื่อ สลัดตนออกจากทุก์ทั้งปวงนี่เป็นวัตถุประสงค์สำคัญและอีกอย่างหนึ่งว่าเพื่อกระทำนิพพานให้แจ้งก็หมายความว่าท่านตั้งใจมาศึกษามาปฏิบัติธรรมคือมาศึกษามาเรียนรู้ พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าว่าท่านสอนอย่างไรเพื่อเข้ามาปฏิบัติพระสัทธธรรมคือทั้งพระธรรมพระวินัยนั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความพ้นทุกข์ถ้าจะพูดพูดกันอย่างง่ายๆและ เพื่อความบรรลุมรรคผลนิพพานซึ่งเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงและที่เป็นบรมสุขซึ่งอย่างน้อยท่านทั้งหลายก็มีความรู้มาบ้างว่าพระสัตธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นนำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ และนั่นหมายความว่าเรารู้ตัวว่าเกิดมาเป็นมนุษย์หรือสัตว์โลกทั้งหลายที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัชไปพบน้อยพบใหญ่ไปสุคติคือไปสู่ภพภูมิที่ดีได้แก่ไปเป็นมนุษย์บ้างเทวดาบ้างพรหมบ้งางอรูปพรมมบ้างไปทุกติ หรือไม่ก็เปลี่ยนแปลงไปไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ดีเช่นภพภูมิของเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เบลชานตามกรรมกรรมดีกรรมชั่วเป็นเหตุเป็นปัจจัยนําไปเพราะฉะนั้นสัตว์โลกทั้งหลายจึงตกอยู่ในกองทุกข์ไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ไปได้เพราะเหตุไร เพราะเหตุว่าถ้าว่าทำกรรมไม่ดีซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์เหมือนเราปลูกต้นไม้ต้นไม้ที่มีพิษถ้าเราปลูกผลออกมามันก็เป็นผลไม้ที่มีพิษฉันใดคนเราหรือสัตว์โลกทั้งหลายกระทำกรรมไม่ดีไวอไ้อย่างไรอย่างไร ก็ยอมจะได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนอย่างนั้นอย่างนั้นตามกรรมต่อไปนับตั้งแต่วันที่เรากระทำความไม่ดีนั้นนั่นแหละและเมื่อแต่กายทําลายขันไปแล้วกรรมไม่ดีนั้นยังจะเป็นเหตุนาเหตุหนุนให้ไปเกิดในทุกติภูมิได้แก่ภูมิที่ ไม่สบายไม่เจริญในแก่ภูมิของเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานตามกรรมนั้นๆตามความหนักเบาของกรรมนั้นๆได้อีกต่อไปนี้ก็เป็นความทุกข์ใหญ่ตรงตรงสุดๆุดส่วนว่าบุคคลที่กระทำคุณความดีอีกส่วนหนึ่ง ย่อมได้รับผลดีจากกรรมดีนั้น ต, ต่อไปนับตั้งแต่วันที่เรากระทำกรรมจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวผลแห่งกรรมดีก็ให้ผลตามความหนักเบาแห่งกรรมดีที่เรากระทำต่อไปในอนาคตและกรรมดีนั้นก็ยังจะเป็นเหตุนำเหตุหนุนให้ไปเกิดในสุคติภพ คือภพภูมิที่ดีได้แก่ภพภูมิของมนุษย์เทวดาพรมอรุปรพรมแต่แม้กระนั้นเนื่องด้วยวัสว์โลกมีอวิชชาคือความไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตของตนเองไม่รู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนได้เคยมีการเวียนว่ายตายเกิดมาแล้วอย่างไรเราไม่รู้กัน และต่อไปข้างหน้าเราจะเป็นยังไงต่อไปเราก็ไม่รู้อีกเช่นกันความไม่รู้อย่างนี้เท่ากับว่าเราไม่รู้เหตุปัจจัยแห่งความทุกขหรือความสุขและทั้งไม่รู้ตัวทุกจริงๆว่ามีกี่มากน้อยของสัตว์โลกทั้งหลายไม่รู้เหตุแห่งทุกขว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เกิดทุกไม่รู้ว่า ถ้าปฏิบัติตามทางสายกลางหรืออริยมรรคมีองค์แปดในพระสัจธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้แล้วนำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้จริงคือมีสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับได้เป็นอมตะธรรมที่สามารถจะบรรลุได้และอมตะธรรมนั้นก็คือธรรมที่ไม่ตาย เมื่อใครเข้าถึงรู้เห็นและเป็นแล้วก็จะถึงความสุขอย่างถาวนไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะเป็นความทุกข์ได้อีกสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับมีได้เป็นได้จริงอย่างไรอย่างนั้นเราไม่รู้ความไม่รู้ทั้งหลายเหล่านี้แหละ <c oughs> เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์โลกคิดผิด รู้ผิดเห็นผิดพูดผิดทำผิดอยู่เสมอมากน้อยตามส่วนแห่งภูมิธรรมของแต่ละบุคคลบุคคลแต่ถ้ายังเป็นปุถุชนผู้ยังหนาด้วยกิเลสคืออวิชชาคือความไม่รู้สัจธรรมและสภาวะธรรมอย่างนี้ก็จะหลงคิดผิดหลงเห็นผิดหลงทำผิดหลงพูดผิด แม้นำคนอื่นก็ผิดหลงตามคนอื่นผิดผิดเมื่อมีความประพฤติผิดก็นำตนไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนตามกรรมนั้นไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้เพราะฉะนั้นนี่แหละคือตัวทุกข์ใหญ่และนี่คือเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัวอวิชชาตัวไม่รู้นี่แหละไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคต ไม่รู้เหตุในเหตุไปถึงต้นต้นเหตุให้เกิดทุกข์ว า, าวิชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิคือความหลงผิดก่อให้มีการกระทำหรือเป็นการกระทำที่ไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดมีภพมีชาติต้องเวียนว่ายตายเกิดู่ในสังสารวักรไม่มีที่สุดอยู่อย่างนี้ อยู่ตลอดเวลาและเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านทั้งหลายมาเรียนรู้ตัวนี้แหละมาเรียนรู้ตัวทุกว่ามันมีกี่มากน้อยให้ลึกซึ้งลงไปเมื่อเรารู้จักตัวทุกเราจะรู้จักเหตุแห่งทุกไปในตัวนี่แต่การที่จะมาเรียนรู้อย่างนี้ได้ ต้องปฏิบัติตามทางสายกลางเรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปหรือจะกล่าวโดยย่อคือมาศึกษาอบรมคือทั้งมาเรียนรู้และปฏิบัติทางกายทางวาจาและใจโดยการปฏิบัติศีลสิกขานี่ต้องมาศึกษามาอบรมกายวาจาของเราในเรื่องของศีลมารักษาศีล น, นี่ในระดับสามเณร เมื่อบวชเป็นพระภิกษุแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องพระวินัยพุทธบัญญัติทั้งที่มีอยู่ในพระปาติโมกขและนอกพระปาติโมกขแล้วต้องประพฤติปฏิบัติตามอยู่ในกรอบพระธรรมวินัยนั้นและเมื่ออบรมกายวาจาด้วยศีลหรือการปฏิบัติศีล น, นี่กล่าวโดยส่วนรวม หรือพระวินัยพุทธบัญญัตินี่กล่าวจำเพาะของพระซึ่งก็คือเรื่องของศีลนั่นแหละแต่ขยายรายละเอียดไปอีกมากแล้วพึงอบรมใจให้สงบเป็นสมาธิแนบแน่นมัน่นคงให้เกิดองคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรนซึ่งจะเป็นอุปสรรคของปัญญาอุปสรรคของสมาธิ ในการปฏิบัติอย่างนี้รวมเรียกว่าจิตตะศิขาการศึกษาอบรมในเรื่องของจิตให้สูงขึ้นไปเป็นอธิจิตศิกขาคือให้ถึงระดับฌานจิตขึ้นไปซึ่งเป็นหนึ่งในอริมักมีองค์แปดเพราะเมื่อถึงจุดนั้นแล้วองคุณเครื่อง กำจัดกิเลสนิวร์กิเลสนิวร์มีห้าอย่างคือถีณมิทะนี่ความง่วงความซึมความที่จิตใจหดหูท้อถอยไม่กระปรี้กระเป่าย่างหนึ่งนี่เป็นกิเลสตัวสำคัญตัวที่สองวิจิกิจฉาตัวลังเลสงสัยไม่รู้แนวทางปฏิบัติเกิดความลังเลไม่รู้ผลของการปฏิบัติไม่รู้ว่าอย่างไรจริงอย่างไรเท็ แล้วก็พยาปาทหรือพยาบาทความหงุดหงิดขัดเคืองใจไปถึงความโกรธพยาบาทแล้วก็อุทธะกุกุ จ, จะความฟุ้งซ่านแห่งจิตใจวิตกกังวลแห่งจิตใจไปในเรื่องต่างๆไม่แน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียวและประการที่หกามชันทะความยินดีพอใจยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกาย กิเลสนิวรเหล่านี้ทั้งห้านี่เกิดมีในใจของเราอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอุปสรรคขัดขวางการเจริญปัญญาเพราะขึ้นชื่อว่ากิเลสหมายถึงสภาพธรรมะที่ขุนมัวไม่ผ่องใสเกิดขึ้นในใจและใจขุนมัวไม่ผ่องใสและเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่านิวรก็แปลว่าอุปสรรค เมื่อจิตใจขุ่นมัวแล้วจะพิจารณาเห็นสภาวะธรรมอย่างแจ่มแจ้งเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีการอบรมจิตเรียกว่าจิตตสิกขาให้ถึงอธิจิตตสิกขาคือให้ถึงจิตอันยิ่งถึงสมาธิยิ่งนั่นเป็นการปฏิบัติในขั้นสมถะภาวนาหรือสมะถะกรรมฐานและ เมื่อใจผ่องใสาจากกิเลสนิบวนแล้วจึงอบรมปัญญาของตนให้รู้แจ้งในสภาวะของธรรมชาติตามที่เป็นจริงทั้งที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรเป็นบันไดที่จะนำไปสู่การเห็นแจ้งในอริยสัจ ท, ทั้ง4ี่ความจริงอย่างประเสริฐสี่ประการที่เรามุ่งหมายที่จะเรียนรู้ที่จะแทงตลอดตั้งแต่ต้น เพื่อการกําจัดกิเลสเหตุแห่งทุกข์คือความจริงอย่างประเสริฐในเรื่องของทุกข์ในเรื่องของเหตุแห่งทุกข์ในสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับและในหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเมื่อเรารู้แจ้งแทงตลอดอย่างนั้นแล้วจึงข้อหนึ่งให้ผลเป็นการกําจัดกิเลสเหตุแห่งทุกข์สเป็นการเข้าถึงรู้เห็นและเป็น ธรรมชาติที่ตรงกันข้ามกับสังขารคือวิสังขารคือสภาพธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่พ้นจากความปรุงแต่งแล้วคือธรรมกายซึ่งเมื่อถึงจุดที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นจึงเป็นสภาวะธรรมที่ชื่อว่าวิสังขารที่แท้จริงไปตามระดับภูมิธรรม คือธรรมกายที่บรรลุมรรคผลนิพพานนั่นแหละที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงและที่เป็นบรมสุขตามลําดับภูมิธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงจุดนี้ก็มาสู่วัตถุประสงค์ของเราว่าเพื่อสลัดตนออกจากทุกข์เพื่อทํานิพพานให้แจง้งนี่ท่านทั้งหลายมาเรียนรู้อย่างนี้ต้องตั้งใจมาเรียนรู้อย่างนี้นะแล้วก็มาปฏิบัติอย่างนี้มาที่นี่ก็ต้องทําอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องเรียน ทั้งฝ่ายหลักธรรมเรียกว่าพระปริยัติธรรมแล้วก็เรียนทั้งหลักวิธีการปฏิบัติเรียกว่าพระปฏิบัติสัจธรรมเพื่อให้ได้ผลเป็นปฏิเวทะมีความเห็นแจ้งแทงตลอดดังกล่าวเป็นปฏิเวทสัธรรมนี่มาทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการมาศึกษาอบรมนั้นต้องมาเรียนทั้งปริยัตและปฏิบัต หรืออีกในหนึ่งว่าธุรกิจของท่านที่จะมาทำหน้าที่สำคัญแก่เพื่อตัวเองนั่นก็คือขันธะธุระคือมาเรียนรู้และก็วิปัสนาธุระมาปฏิบัติให้ใจสงบมีพื้นฐานอยู่ที่ศีลบริสุทธิ์เป็นไปเพื่อการเจริญปัญญารู้แจ้งในสภาวะธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงต้องทำอย่างนี้และนอกจากนั้นมาแล้วไม่ใช่ทำสองอย่างนี้เท่านั้นเมื่ออยู่ร่วมกันต้องช่วยกันทางาน นี่ก็เป็นธรรมะไม่ใช่มานั่งอยู่เฉยๆมาอยู่ด้วยกันมากินด้วยกันก็ต้องช่วยกันทำงานอะไรๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวและเรื่องส่วนรวมของวัดไม่งั้นวัดก็อยู่ไม่ได้เพราะไม่มีคนทำงานทีนี้เมื่อมีการอยู่ร่วมกันก็จะต้องอยู่ในสังคมเดียวกันต้องมีอัธยาศัยใจคอที่ดีดีอย่างไรก็คงจะไม่ต้องชี้แจงมากเป็นที่รู้กันทีนี้ เมื่อท่านทั้งหลาย เ, าเข้าใจในเรื่องนี้ว่ามาบวชเพื่ออะไรและจะต้องมาปฏิบัติตนอย่างไรแล้วพึงรู้ต่อไปว่าอานิสงค์ของการบวชสักหน่อยหนึ่งว่าผู้ที่ตั้งใจบวชเองตัดสินใจบวชเองผู้นั้นจะได้อานิสงค์ เป็นธรรมทายาทเป็นญาติพระพุทธศาสนาโดยธรรมถึงหกสิบสนะี่กัปส่วนพ่อแม่ที่อนุญาตให้เราบวชนี่เฉพาะพระนะก็จะได้อานิสงส์ถึงสิบหกัปเป็นญาติพระศาสนาคือได้เข้าใกล้ชิดพระศาสนาได้มาศึกษามาเรียนรู้ไปตามลำดับอันนี้ก็จะเป็นบุญกุศลสำคัญแก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติมิตรทั้งหลาย และผู้อุปการะในการบวชให้ได้อานิสงส์อย่างนั้นส่วนสามเณรตัวเองก็จะได้ถึง16กับส่วนพ่อแม่ก็จะได้แดกับเหล่านี้เป็นต้นจึงเป็นมหานิสงส์และเราได้ชื่อว่าเราได้กระทำการตอบแทนคุณผู้มีพระคุณคือพ่อแม่ของเราผู้มีคุณอันประเสริฐสำหรับลูกซึ่งไม่ต้องพารนาว่า ท่านมีพระคุณต่อเราอย่างไรพระอธิกถาจารา์ได้อธิบายชี้แจงไว้ซึ่งจะเล่าให้ฟังโดยย่อว่าพระคุณของพ่อแม่นั่นตอบแทนอย่างไรอย่างไรก็ไม่คุ้มถ้าจะเปรียบว่าเอาแม่วางบาขวาพ่อวางไวบ้บาซ้ายรนนิบัติท่านให้ท่านมีความสุขสบายแม้ท่านจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะรถเราตลอดชีวิตไม่รังเกียจก็ ยังไม่คุ้มกับพระคุณของพ่อแม่นี่พระคุณของพ่อแม่เนะ่ยยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านั้นเพราะเหตุไรเพราะท่านได้ความสุขเพียงชาติเดียวจากการที่เราปริบัติอย่างนั้นแต่ถ้าคุณบุตรคุณลธิดาใดนําพ่อแม่ที่ยังไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรยัยให้มาศรัทธาที่มีศรัทธาน้อยให้ศรัทธามากให้ที่มีมากอยู่แล้วให้เจริญและมัน่นคงเข้ามาเป็นญาติพระศาสนาด้วย และให้เข้ามาจนถึงเป็นธรรมทายาทด้วยได้ก็ยิ่งดีสำหรับกุลบุตรกุลธิดาใดสามารถทำเช่นนั้นได้อานิสงส์หรือบุญกุศลที่จะได้นั้นคุ้มกับพระคุณของพ่อแม่เพราะอะไรเพราะเมื่อพ่อแม่ได้เข้ามาอยู่หรือมาสู่กระแสรธรรมด้วยความศรัทธาภาษาธะในภรรตนตรัยแล้วผลจากการที่ท่านเรียนรู้ พระสัตยธ ร, รมของพระพุทธเจ้าและนําไปปฏิบัติและชั่วทำดีทําใจให้ใส่อย่างนั้นให้ผลเป็นความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขแก่ท่านนับพบนับชาติไม่ถ้วนอย่างน้อยที่สุดท่านได้มีโอกาสเข้าใกล้พระรัตนตรยัยอย่างน้อยที่สุดสําหรับพ่อแม่ที่อนุญาตให้ลูกบวชเป็นสามเณรก็ถึงแปดกับถ้าให้บวชเป็นพระก็สิบหกกับนี่ เพราะฉะนั้นก็เป็นภาวะปัใจจัยให้ท่านถึงมรรคผลนิพพานได้ที่โบราณเขาว่าพ่อแม่ขออาศัยผ้าเหลืองก็เพราะเหตุนี้ก็อชายผ้าเหลืองลูกเพราะเหตุนี้แต่ลูกต้องทําดีถ้าลูกทําไม่ดีก็อานิสงฆ์พ่อแม่ก็ลดหย่อนไปตามส่วนเหมือนกับลูกเป็นพูทปลูกต้นไม้เองผลจะแบ่งให้พ่อแม่ถ้าลูกปลูกไม่ดีไม่ดูแลไม่รักษาให้ดีผลออกมาไม่ดีพ่อแม่ก็ได้ผลน้อยหรือแทบจะไม่ได้เลยหรือได้น้อยที่สุดไปตามส่วน อันนี้จริงอยู่พ่อแม่บวชเรานะได้แล้วอานิสงส์แต่จะได้ผลสมบูรณ์เมื่อลูกกระทำความดีเต็มที่เพราะฉะนั้นตรงนี้ให้จำไว้เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วนะหลวงพ่อจะบอกกรรมฐานให้เป็นเบื้องต้นในขั้นสมถกรรมฐานให้พิจารณาส่วนต่างๆของร่างกายห้าส่วนในส2สองอย่างในส2สสองส่วนพิจารณาให้เห็นตามสภาพที่เป็นจริงว่าไม่งามนะ จะได้ผ่อนคลายจากการมาฉันทะหรือการมาวิตกการตรึกคอยแต่จะนึกเห็นยินดีพอใจชอบใจอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายนี่เป็นอาวุธสำคัญสำหรับสมณะผู้บวชโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บวชใหม่สามัญพระหนุ่มเ น, นน้อยพึงจะนำไปใช้แต่ไม่ต้องใช้ได้หมดนั่นแหละนี่เรียกว่ามูลกรรมฐานกรรมฐานดังเดิมที่บุรพารย์ของเราได้ สั่งสอนแนะนำต่อๆกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลหรือเรียกว่าตตจัปปัญจากา ก, กรรมฐานกรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้านะแล้วเวลาหลวงพ่อบอกต้องนึกให้เห็นในใจนะว่ามีลักษณะสันฐานอย่างไรน่ารักน่าใครเพียงไหนแล้วก็มีสภาพที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรพยายามนึกให้เห็นนะแต่อย่างน้อยเห็นตามที่เป็นจริงว่าไม่งามอา้าวเกษาว่าตาม ว่าชัดๆเนี่เมายเกษ า, กาโลม า, ลมานข า, นาทันตานตะโ จ, จรู้ใช่ไหมเกษาปแปลว่าอะไรเออนักขาไม่ทราบ เ, เกษาผมโลมาขนนนขาเล็บทันตารู้เปล่าไม่ทราบทันตาก็ฟันเนี่ย ฟันแล้วก็ตะโจรู้เปล่าไม่ทราบเอ๊ะให้อบรมนี่เออก็หล้างบอกเนะบอกให้รู้ตะโจหนังเอาใหม่อีกทีนะ่ะเกษานึกให้เห็นผมโลมาขนทั่วร่างกายเรานขาเล็บเป็นยังไงเล็บสะอาดไหยทันตา นี่ฟันของเราสะอาดไหมเออตะโจหนังทั่วร่างกายเราสะอาดไหมฟันสะอาดไหมเออหนังเป็นไงหนังสะอาดไหมไม่สะอาดเออรู้นะเออมีกลิ่นเหม็นเป็นที่ตั้งเหงื่อครแม่แต่ผมเข้าใจไหมต้องทำความสะอาดอยู่เสมอขนาดล้นๆนยยังต้องสะนะเออไม่สะก็ไม่สะอาดนะเหม็นนะเหม็นเขียวนะ เออแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องนึกห่อยที่ยาวๆอะ่ะมันจะเป็นยังไงเข้าใจยังนี่คือจุดประสงค์รู้นะอา้าวทีนี้ว่าโดยอรุโลมตั้งแต่ต้นไปหาปลายนะที่สาธุชนรับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นคำสอนของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยช ย, ยมังคลโลเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามที่ได้สอน พ่อนาคที่บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนารวมทั้งคณะญาติโยมผู้ปกครองบิดามารดาของพรอนาคที่เข้ามาไงงานบนรรพชาอุปสมบทได้รับฟังก็เป็นเนื้อหาสาระที่จะทําให้ผู้ที่กําลังตั้งใจที่จะเข้ามาศึกษาและปฏิบัติหรือมาบวชในพระพุทธศาสนาในช่วง ภาานี้ได้เพิ่มศรัทธาภาษาธรและได้มีแนวทางที่จะได้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะอุปสมบทบวชทั้งภายในและภายนอกซึ่งจะเป็นบุญเป็นกุศลอันสาคัญติดตามท่งผลให้แก่ตัวผู้ประพฤติธปฏิบัติเองและเป็นการช่วยกันสืบบวรพระพุทธศาสนาเพราะว่าการบวชในพระพุทธศาสนานั้น อานิสงส์มากมายทั้งผู้กระทาเองและทั้งผู้ที่เป็นมานรดาบิดาสังคมไทยนั้นนิยมที่จะบวชก่อนที่จะมีครอบครัวซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามควรที่จะยึดถือและปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างแก่เยาวชนรุ่นหลังได้ เห็นแบบอย่างที่ดีเพื่อที่จะได้น้อมนำขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามนี้สืบต่อไปให้ยืนยาวยิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับรายการธรรมส่สันติในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านขอท่านผู้ฟังทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากทุกโศกโรคภัยเป็นผู้มีอายุมั่นขวัญยืน จเจริญรุ่งเรืองในพระศัตธรรมแห่งกุงสิเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจิตการงานโดยชอบทั้งปวงสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษยสมบัติสวรรคสมบัติและพระนิพพานสมบัติมีมมรสีผลสีและพระนิพพานหนึ่งฝ่ายที่เป็นสัมมาทิฏฐิแต่ส่วนเดียวโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอเจริญพ